มาศึกษาพระธรรมคำสั่งคาสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าวันนี้พวกเราจะฟังเรื่องของพระพุทธศาสนาว่ามีความเป็นมาอย่างไรพระพุทธศาสนาแปลว่าอะไรพระพุทธศาสนาแปลว่า การเผยแผ่คำสั่งคำสอนของผู้รู้พุทธะแปลว่าผู้รู้ศาสนาแปลว่าการเผยแผ่คำสั่งคำสอนพุทธะนี้รู้อะไรถึงเรียกว่าเป็นพุทธะพุทธะคือผู้รู้วิธีดับความทุกข์ใจ ให้หมดสิ้นไปอย่างราบคาบอย่างท้าวอนซึ่งคนธรรมดาอย่างพวกเรานี้ไม่มีความรู้ความสามารถที่จะดับได้ด้วยตนเองพวกเราต้องรอให้มีผู้รู้คือมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้วิธีดับความทุกข์ใจ อย่างถาวรแล้วรอให้ท่านนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราพวกเราถึงจะได้รู้วิธีดับความทุกข์ใจต่างๆได้และสามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติจนดับความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ นี่คือความหมายของพระพุทธศาสนาคือการเผยแพผ่ความรู้วิธีการดับความทุกข์ใจให้หมดสิ้นไปอย่างถาวร น, นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนามีหน้าที่นําเอาความรู้ของพระพุทธเจ้า วิธีดับความทุกข์ของใจมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราที่ไม่รู้การเกิดของพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีการเกิดขึ้นของผู้รู้ก่อนมีผู้มาตัดสั้วิธีการดับความทุกข์ของใจอย่างถาวร ผู้ที่จะมาตัดสรุมาเป็นพระพุทธเจ้าของพวกเราในยุคนี้ก็คือเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะผู้ที่ประสูติเป็นพระราชโอรสของพระกษัตริย์และหลังจากที่ได้จเจริญเติบโตจนพร้อมที่จะ ออกบวชก็ได้สละราชสมบัติออกบวชเพื่อที่แสวงหาวิธีการดับทุกข์ในเบื้องต้นพระองค์ก็ยังไม่รู้เรื่องวิธีของการดับทุกข์ว่าเป็นอย่างไรและไม่รู้ว่ามีความทุกข์เสียด้วยซ้ำไปเพราะว่าตอนที่ประสูตมานี้ ตอนประสูติใหม่ๆพระราชบิดาก็อยากจะรู้อนาคตของเจ้าชายสิทธัตถะว่าจะเป็นอย่างไรจึงได้เชิญพวกโหราจานต่างๆมาดูดวงมาทำนายชะตาชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถะว่าจะเป็นอย่างไร เนื่องจากว่าเจ้าชายเศรษฐาเนี้มีบารมียิ่งใหญ่กว่าคนธรรมดาทั่วไปเวลาประสูติก็เดินได้ถึงเจ็ดเก้าด้วยกันจึงทำให้พระราชบิดานี้มีความปรารถนาอยากจะรู้ว่าบารมีของเจ้าชายสิทธฐานี้ จะนำพาไปสู่การเป็นอะไรต่อไปจึงได้เชิญโหรารารา์มาดูดวงมาทำนายชะตาชีวิตของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะบรรดาโหรารารา์ต่างๆที่ได้มาดูก็มีการเห็นพ้องต้องกันว่ามีความเป็นไปได้สองทางด้วยกันสำหรับเจ้าชายสิทธัตถะ คือถ้าอยู่ในเพศของคารวาตเป็นพระราชาต่อไปก็จะได้เป็นพระมห า, ากัจจกพัตผู้ยิ่งใหญ่แต่ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระบรมศาสดาเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีโหราจาร์อยู่รูปเดียวที่เห็นมีความเห็นต่างกับโหราจาร์ทั้งหลายคือเห็นว่าจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> เมื่อพระเจ้าชายพระราชบิดาของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะทราบความอนาคตของเจ้าชาย ก็มีความปรารถนาอยากจะให้เจ้าชายสิทธัตถะนั้นเป็นพระมหาจักรพรรดิเพื่อจะได้จเจริญสืบทอดพระราชรสกุลให้ยิ่งใหญ่ไพศาลขึ้นไปจึงพยายามาเลี้ยงดูห้อมร้อมเจ้าชายสิทธัตถะด้วยความสุขชนิดต่างๆ ไม่ให้ความทุกข์ต่างๆนี้เข้ามาสัมผัสกับเจ้าชายสิทธัตถะเลยส่งสร้างปราสาทสามฤดูให้เจ้าชายสิทธัตถะได้อยู่อย่างมีความสุขส่งให้มีบริสัทบริวารห้อมร้อมคอยรับใช้ให้ความสุขชนิดต่างๆและส่งห้ามไม่ให้คนแก่คนเจ็บ หรือคนตายเข้าไปในภวะพระราชวงังเพราะไม่ต้องการให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเห็นความทุกข์ของชีวิตนั่นเอง เ, เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็เลยหลงละเริงอยู่กับความสุขที่พระราชบิดาได้นำมาห้อมร้อมไว้และส่งห้ามไม่ให้ออกจากพระราชวังไปข้างนอก ให้อยู่แต่ในวังเพียงอย่างเดียวแต่ความสุขที่ได้จากการอยู่ในวังความสุขที่ได้จากการเลี้ยงดูรับใช้ของพวกข้าราชบริพารทั้งหลายก็เป็นความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวบางเวลาก็หายไป บางเวลาก็ทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายจึงทำให้เกิดความสนพระทัยที่อยากจะออกไปดูภายนอกหวังว่ามีอะไรบ้างจึงหาโอกาสหาเวลาเล็ดลอดออกไปเที่ยวนอกวังกันกับมหาเล็ก พอได้ออกไปดูชีวิตที่อยู่นอกวังจึงได้เห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตคือเมื่อเดินไปเที่ยวอยู่ซักระยะหนึ่งก็ปรากฏมีคนแก่เดินหลังคอมสวนมาซึ่งเป็นคนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะตอนที่อยู่ในวังมีแต่คนหนุ่มสาวคนที่มีกําลังวังชา คนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามแต่มาเห็นคนแก่คนชราศีสะโลนขาวหนังค่อมหนังเหี่ยวยน่นก็เลยสงสัยว่าเป็นอะไรเป็นใครถึงเป็นอย่างนี้ก็ได้รับคำตอบจากมหาเรียกว่าก็เป็นคนอย่างพระองค์นี่แหละ เมื่ออยู่ไปนานๆเข้าร่างกายก็จะสุกงอมก็จะแก่แบบชายคนนี้ต่อไปพระองค์ก็จะต้องเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันพอได้ทรงทราบเป็นครั้งแรกก็ถึงกับความตก อ, อกตกใจขึ้นมาไม่เคยคาดคิดใครคาดฝันว่าร่างกายของพระองค์ต่อไปจะต้องหลังคลอมสีรษะ โดนหรือผมศีษะบนศีษะกลายเป็นสีขาวงอกหนังเหี่ยวย่นไม่มีกำลังวางชาก็ทรงมีความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาภายในพระทยัย พอเดินต่อไปอีกส <then. S 1> so so ักระยะหนึ่งก็เห็นมีคนนอนร้องโอดควรครางอยู่ที่หน้าบ้านก็ถามว่าคนนี้ทาไมเขาถึงต้องมานอนร้องโอดควรค้างอย่างนี้ก็ได้ทราบว่าก็เป็นเหมือนก็เป็นคนเหมือนพระองค์นี่แหละที่เจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคภัยเบียดเบียนซึ่งต่อไปพระองค์ก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแบบนี้เหมือนกัน จะต้องร้องโอดควรกลางด้วยความทุกข์เหมือนกันเนี่พอได้ยินเข้าก็มีความไม่สบายใจเพิ่มขึ้นมาแล้วพอเดินต่อไปอีกระยะหนึ่งก็เห็นมีคนแห่เอาศพไปเผาก็ถามว่าเขากำลังแห่อะไรกันก็ได้ทราบว่าเขาแห่ร่างกาย ที่เหมือนกับร่างกายของพระองค์แต่ตอนนี้ร่างกายเขาหยุดทํางานแล้วไม่หายใจแล้วจะเน่าเปื่อยต่อไปถ้าเก็บเอาไว้เฉยๆก็จําเป็นที่จะต้องนําเอาไปทำชาปนกิจเพื่อกําจัดร่างกายต่อไปร่างกายของเจ้าชายสิทธัตถะก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันพอได้ทราบก็เลยมีความรู้สึก ไม่สบายใจเป็นอย่างมากพอนึกถึงภาพของคนแก่คนเจ็บของคนตายที่พระองค์จะต้องเป็นต่อไปในอนาคตจึงทำให้ความสุขต่างๆที่เคยได้เสพได้สัมผัสในพระราชวังนั้นหายไปหมดเหลือแต่ความทุกข์ใจไม่สบายใจ ที่จะต้องเผชิญกับความแก่ความเจ็บความตายที่จะตามมาต่อไปจึงได้เดินกระทางกับพระราชวังนองทางก็ไปเห็นชายคนหนึ่งเป็นนักบวชแต่งกายแบบนักบวชจึงถามว่าเป็นใครก็ได้ทราบว่าเป็นนักบวชผู้ที่กําลังหาวิธีดับความ ทุกใจความไม่สบายใจที่เกิดจากการที่จะต้องเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บเจอกับความตายพอได้ยินได้ฟังถึงเรื่องราวของนักบวชคนนี้ก็เลยทรงมีพระไทยดีขึ้นดีตรงที่ว่ามีคนยังพยายามหาวิธีดับความทุกข์ของใจซึ่งอาจจะ ทำให้บรรเทาความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงค่อควรคิดพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายและเรื่องของการไปบวชจนในที่สุดก็ทรงตัดสินพระทัยว่าถ้าอยู่ในวังต่อไปก็จะไม่มีวันที่จะ รู้วิธีดับความทุกข์ใจที่เวลาต้องเผชิญกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้จําเป็นจะต้องไปอยู่กับพวกนักบวชเพื่อที่จะได้ศึกษาเรียนรู้วิธีที่จะดับความทุกข์ใจเวลาที่จะต้องพบกับความแก่พบกับความเจ็บพบกับความตาย จึงได้เตรียมใจเตรียมรอโอกาสที่จะทำให้พระองค์ได้สละราชสมบัติและออกบวชก็ละก็มีวันเวลาปรากฏขึ้นมาคือวันที่พระมัยเหสีได้คลอดพระราชโอรสของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถนพอได้ทราบข่าวก็ทรงอุทานว่าราหุล คำว่าลาหุนแปลว่าบ่วงบ่วงที่จะมัดร้อยหัวใจให้ติดอยู่กับครอบครัวติดอยู่กับลูกติดอยู่กับภรรยาติดกับชีวิตของผู้ครองเรือนจึงทรงอุทานออกมาว่าราหุนผู้ที่นำข่าวมาแจ้งก็คิดว่าทรงประทานชื่อให้แก่พระโอรส จึงได้ไปกราบทูลในภายหลังว่าพระองค์ได้ทรงตั้งชื่อให้กับพระราชาลด ว, ว่าราหุพาลพระราชรลของพระพุทธเจ้าของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะจึงมีชื่อว่าราหุลมาตั้งแต่บัดนั้นแต่ความหมายที่แท้จริงคือบ่วงทรงอุทานออกมาว่าบ่วงได้เกิดขึ้นแล้ว บ่วงที่จะมัดหัวใจให้ไม่สามารถสละราชสมบัติออกบวชได้ถ้าอยากจะออกบวชก็ต้องไปในคืนนั้นเลยถ้าอยู่ต่อไปก็จะถูกบ่วงนี้รัดใจเอาไว้จึงได้สัตย์สินพระทัยสละราชสมบัติหนีออกจากวังไปในคืนนั้นโดยไม่แจ้งให้ใครทราบเลย ไม่แว่าไปดูหน้าตาของลูกที่เพิ่งคลอดออกมาเพราะส่งกลัวว่าถ้าไปดูแล้วจะทำให้ไม่กล้าตัดสินใจไปบวชนั่นเองนี่คือเรื่องของการออกไปหาความรู้ที่จะนับที่จะนำมาใช้ในการดับความทุกข์ของใจของเจ้าชายสิทธัตถะ ทายสละราชสมบัติออกบวชไปในยามวิกาลไปโดยไม่บอกใครโดยมีมหาเล็กติดตามไปส่งที่ชายแดนพอถึงชายแดนก็ก็เดินดเดินเดินทางต่อไปโดยพระองค์เองไม่ได้ขี่มา้าขี่ม้าไปถึงชายแดนแล้วก็ให้มหาเล็กนำม้ากลับไปสู่หวัง เราก็มุ่งไปศึกษากับพวกนักบวชต่างๆจนได้เรียนรู้วิธีดับความทุกข์ที่นักบวชรู้กันในสมัยนั้นคือวิธีทำใจให้สงบให้เข้าสมาธิเข้าฌานพอจิตใจสงบตัวลงอยู่ในสมาธิอยู่ในฌานความทุกข์ใจที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตาย ก็หายไปชั่วคราวเวลาที่มีความทุกข์ใจเวลาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายหรือเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายจะตายถ้าไม่ต้องการความทุกข์ใจก็หลบเข้าไปในสมาธิในฌานกันแต่ไม่มีใครรู้วิธีที่จะดับความทุกข์ของใจ เวลาที่ออกจากสมาธิมาออกจากฌานมาพอออกจากสมาธิมาพอได้มาสัมผัสกับร่างกายที่แก่ที่เจ็บหรือที่จะตายใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกไม่มีใครรู้ว่าจะทำให้ความทุกข์นี้หายไปได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเมื่อไม่มีใครรู้เป้าของอะไรต้องไป ศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองจนในที่สุดก็ได้ส่งค้นพบสาเหตุที่ทำให้ใจทุกเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเหตุที่ทำให้ใจทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็คือตัณหาความอยากสามประการด้วยกันคือหนึ่งกามตัณหา ความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดผดทพะจาเป็นที่จะต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงนั่นเองพอร่างกายไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงก็จะทําให้ไม่สามารถเสพความสุขทางรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆได้ก็ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ความอยากชนิดที่สองก็คือความอยากมีอยากเป็นต่างๆผ่านทางร่างกายมีร่างกายแล้วก็อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามพอไม่ได้เป็นตามที่อยากได้ก็เกิดความทุกข์ใจแลวประการที่สามความอยากไม่มีอยากไม่เป็นคืออยาก ไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเนก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าสามารถหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้หยุดความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสได้หยุดความอยากมีอยากเป็นได้หยุดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้ก็จะไม่ทุกข์กับความเป็นไปของร่างกาย ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็จะไม่เป็นปัญหาแล้ววิธีที่จะหยุดความอยากนี้หยุดด้วยอะไรก็สงคนพบว่าหยุดด้วยสมาธิเป็นอันดับแรกก่อนหยุดชั่วคราวไว้ก่อน<ม>เพื่อสร้างพลังกำลังของจิตจิตที่มีสมาธินี้จะมีพลังมีกำลังที่จะคิด ด้วยเหตุด้วยผลที่จะสามารถใช้เหตุและผลนี้มายับยั้งความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ถ้าไม่มีสมาธิจิตจะถูกความโลภความอยากต่างๆครอบงําจนไม่สามารถคิดด้วยเหตุด้วยผลได้จึงจําเป็นที่จะต้องทําจิตให้สงบให้จิตเป็นกลาง ให้จิตเป็นอุเบกขาก่อนเมื่อจิตมีอุเบกขามีความเป็นกลางที่สามารถคิดตามหลักความเป็นจริงได้ด้วยเหตุด้วยผลก็ให้ใช้ปัญญาที่เป็นเหตุผลนี้มาสอนใจให้เห็นว่าการตอบสนองความอยากต่างๆนี้ไม่ได้นำไปสู่การดับทุกข์ แต่เป็นการไปหาความทุกข์มาเพิ่มนะเพราะความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากต่างๆนั้นะเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขเดียวๆตอนที่ได้มันก็ทำให้ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจหายไปเกิดความสุขใจขึ้นมาเวลาได้ทำตามความอยากเช่นเวลาอยากไปเทีนะ่ยว จะเกิดความรู้สึกหงุดหงิดเหงาเศร้าว้ า, วาเวพอได้ไปเที่ยวก็เกิดความรู้สึกสุขใจขึ้นมาดีใจขึ้นมาแต่พอกลับมาจากการไปเที่ยวไม่กี่วันความเหงาวความเศร้าซ้อยว้าเวก็หวนกลับคืนมาใหม่ไม่ได้หายไปแล้วถ้าไม่ได้ทําตามความอยากในคราวต่อไป ก็จะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจเพิ่มขึ้นมาอีกหลายเท่านดังนั้นทรงสรุปว่าวิธีการดับความทุกข์ด้วยการไปหาความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือด้วยการได้ทำอะไรตามความอยากอยากเป็นอยากใหญ่อยากโตอยากน่ําอยากรวย การได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้แต่กลับจะทําให้เกิดมีความทุกข์ใจเพิ่มมากขึ้นเพราะสิ่งต่างๆที่ได้มาเหมือนของชั่วข่าวเป็นอนิจจังเมื่อได้มาแล้ววันใดวันหนึ่งก็จะต้องมีวันหมดไปเวลาหมดก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอย่างใหญ่หลวง เวลารวยก็มีความสุขพอเวลาสิ้นเนื้อประดาตัวขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจจนถึงกับไม่อยากจะอยู่ต่อไปอยากคิดฆ่าตัวตายกันนี่คือการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการไปหาความสุขเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วความสุขที่ได้มานั้นจะหมดไปนั่นเอง แล้วความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีพอถ้าใช้ปัญญาสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นร่างกายก็เป็นของไม่เที่ยง ร่างกายที่ใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขก็เป็นของไม่เที่ยงพอร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาก็จะไม่สามารถหาความสุขตามความอยากได้พอไม่สามารถทำได้ใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเลิกทำตามความอยากได้ ใจก็จะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆความอยากต่างๆนี่แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตายไม่ใช่ความเสื่อมของลาบยศสารเสริญสุขแต่ความอยากให้สิ่งต่างๆที่ได้มานี้ไม่เสื่อมไปต่างหากที่ทาให้ทุกข์เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ สิ่งต่างๆที่ได้มาจำเป็นจะต้องเสื่อมไปหมดไปเพราะสิ่งต่างๆที่ใจได้มาครอบครองมาให้ความสุขกับใจนี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเป็นอนิจจังเป็นของชั่วคราวเป็นอนัตตาห้ามไม่ได้สั่งให้มันเป็นของถาวรไม่ได้ห้ามไม่ให้มันเสื่อมไม่ได้ พออยากให้มันไม่เสื่อมก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีความอยากให้มันไม่เสื่อมปล่อยให้มันเสื่อมไปตามธรรมชาติของมันใจก็จะไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับความเสื่อมของสิ่งต่างๆที่ใจได้มาใจได้ลาบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาได้ร่างกายมา รู้ว่าไม่ช้าก็เร็วของเหล่านี้ก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงหมดลงไปถ้าไม่มีความอยากไม่ให้เขาเสื่อมไม่ให้เขาหมดปล่อยให้เขาเสื่อมไปปล่อยให้เขาหมดไปใจก็จะไม่ทุกข์นี่คือการค้นพบวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ของใจให้หมดไปต้องใช้ปัญญา และสนับสนุนด้วยสมาธิสมาธินี้หยุดความอยากได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่เวลาออกจากสมาธิมาความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่จะหยุดความอยากเวลาที่ไม่อยู่ในสมาธิก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจสอนให้รู้ว่าการทำตามความอยากเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจ พอเวลาอยากนีใจจะไม่สงบใจจะดิ้นรนใจจะตะเกียกตะกายจะกะวนกวายกระสับกระสายแล้วพอได้สิ่งที่อยากได้มาก็จะสงบตัวเพียงชั่วคราวพอสูญเสียสิ่งที่ได้ไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือ อย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากมีอะไรอย่าไปอยากเป็นอะไรให้หาความสุขจากการทำใจให้สงบเพียงอย่างเดียวเกิดทำใจให้นิ่งให้สงบเป็นอุเบกขาระงับความอยากต่างๆพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจใจก็จะสงบโดยอัตโนมัติ โดยธรรมชาติของใจชี่ใจของพวกเราทุกวันนี้ทุกค น, นนี้ไม่สงบกันก็เพราะมีความอยากคอยมากวนใจอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังเดี๋ยวก็อยากจะลิ้มรส ด, ดมกลิน่นเดี๋ยวก็อยากจะสัมผัสกับสิ่งต่างเดี๋ยวก็อยากเป็นนั่นเป็นนี่เดี๋ยวก็อยากไม่เป็นนั่นเป็นนี่ ก็เลยทำให้ใจไม่มีความสุขเลยมีความสุขก็สลับกับความทุกข์สามวันสุขสีวันทุกข์เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตราบใดที่ไม่กําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ ผู้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาสามารถกำจัดความอยากทั้งสามที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้กำจัดการมาตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าได้รับการกำจัดด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้ว ก็จะกาจัดได้อย่างถาวรดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆจำเป็นที่จะต้องสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาภายใน ใ, นใจให้ได้เพราะศีลสมาธิปัญญานี้เป็นเครื่องมือในการที่จะ ทำลายต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจพอต้นเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ถูกกำจัดไปหมดใจก็จะหายทุกข์จะอยู่กับการเสื่อมของสิ่งต่างๆได้จะไม่รู้สึกทุกข์เดือดร้อนเวลาสูญเสียสิ่งต่างๆที่มีอยู่ไปไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญสุข ทางตาหูจมูกนึงกายหรือความเสื่อมของร่างกายคือความแก่ความเจ็บความตายจะไม่ทำให้ใจที่มีศีลสมาธิปัญญาที่ได้กำจัดความอยากต่างๆหมดสิ้นไปจากใจแล้วเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้เลยนี่คือการตัดสุ้ของผู้รู้ของพระพุทธเจ้า คำว่าผู้รู้นี้เป็นคำที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับใจของพระองค์ใจของพระองค์เมื่อก่อนก็ยังเป็นผู้หลงอยู่ยังเป็นผู้ไม่รู้อยู่พอได้ศึกษาด้วยคนว้นคว้าวิธีการดับความทุกข์ต่างๆจนสามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้แล้ว พระ อ, องค์จึงทรงเรียกพระ อ, องค์เองว่าผู้รู้พุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้เตื่นจากความหลงผู้ที่มีความเบิกบานเพราะผู้ที่รู้นี้รู้วิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปนั่นเองพอไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจใจก็จะเป็นเบิกบานขึ้นมามีแต่ความสุข ที่เรียกว่าบรลมะสุขนี้เองนิพพานังปรมังสุขขังความสุขของผู้รู้ของผู้ที่รู้วิธีดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปก็จะได้รับความสุขเรียกว่าบรลมะสุขใจที่ได้รับการชำระจนสะอาดบริสุทธิ์ก็เรียกว่านิพพานนิพพานไม่ใช่สถานที่ นิพานก็คือใจของพวกเราถ้าได้รับการชำระความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปใจก็จะเป็นนิพานขึ้นมาจะมีความสุขมีความเตื่นมีความเบิกบานขึ้นมาหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เตื่นขึ้นมาได้ทำให้ใจของพระองค์เบิกบานแล้วก็ทรงมีพระเมตตาที่จะ นำความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้กันต่อไปนยจึงได้ประกาศคำสอนเป็นครั้งแรกในวันเพ็ญเดือนแปดวันนาสาหะบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ส่งนำเอาความรู้ที่ทรงได้ตัดสั้คือการดับความทุกข์ของใจนี้ มาสอนให้กับพระปัญจวัคคีพระปัญจวัคคีนี้เป็นผู้ที่เคยเป็นลูกศิษย์เคยติดตามรับคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าตอนที่ทรงบาเพ็ญหาวิธีดับทุกข์แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พระองค์ทรงเปลี่ยนวิธีคือตอนนั้นทรงคิดว่าวิธีที่จะดับความทุกข์ใจนั้น ต้องทรมานร่างกายต้องทำให้ร่างกายทุกขแบบสุดๆแล้วคิดว่าความทุกข์จะหายไปแต่ก็ไม่หายส่งทดลองอดพระกายอาหารถึง49วันด้วยกันจนไม่มีเรียวมีแรงที่จะทำอะไรต่อไปได้แต่ความทุกข์ใจของพระองค์ก็ยังไม่หายไปจึงทรงเห็นว่าเป็นวิธีที่ผิดก็เลยยุติ วิีการอดอาหารพระปัญจวัคคีย์ผู้ที่คอยติดตามรับใช้คอยหวังที่จะได้รับผลประโยชน์จากพระพุทธเจ้าจากการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าก็เกิดความเสื่อมศรัทธาขึ้นมาคิดว่าพระพุทธเจ้ายอมแพ้กลัวตายไม่ไม่ยอม ที่จะยอมตายเพื่อให้ได้ตัดสุลูก็เลยเสื่อมศรัทธาแยกทางไปแต่หลังจากที่พระ เ, เจ้าได้ส่งตัดสุูแล้วก็ส่งวิเคราะห์ดูว่าใครจะเป็นบุคคลที่สมควรต่อการรับความรู้อันนี้ก็ทรงเห็นว่ามีพระปัญจวัคคีย์นี้เป็นผู้พร้อมที่จะรับ เรียนความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรูปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเพราะว่ามีภูมิมีภาชนะรองรับความรู้ที่พระพุทธเจ้าจะมอบให้นั่นเองคือมีศีลที่บริสุทธิ์และมีสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในความสงบมีจิตที่เป็นอุเบกขาเป็นกลางที่ไม่มีอารมณ์ของกิเลสตัณหาครอบงำํำ ยังทรงมุ่งไปสอนพระปัญจญวัคคีย์เป็นชุดแรกก่อนพอได้ทรงสแสดงความรู้วิธีการดับทุกข์คือมรรคแปดคืออริยสัจสคือไตรลักษณ์ให้กับพระปัญจวัคคีย์พอทรงสแสดงทำเสร็จหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์คือพระอัญญาณโกนทัญญา ก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นวิธีดับทุกข์ขึ้นมาเห็นว่าการที่จะไปาหาความสุขจากสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นไม่ใช่เป็นวิธีดับความทุกข์เป็นวิธีสร้างความทุกข์ต้องไม่หาความสุขจากสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งหลาย ก็รสิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นมาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาก็เลยมีดวงตาเห็นธรรมเห็นวิธีการดับทุกในขั้นต้นดับทุกที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงมีเกิดแล้วเดี๋ยวก็จะต้องมีการดับไปเป็นธรรมดา ถ้าอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเห็นใต้ลักเห็นนิจจังของร่างกายก็เลยปล่อยวางร่างกายเห็นว่าเป็นอนัตตาไปห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้พอปล่อยวางได้ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกี่ยวกับร่างกายได้ทันทีอันนี้ เป็นการถ่ายทอดความรู้จากใจของพระพุทธเจ้าไปสู่ใจของพระปัญจวัคคีแล้วหลังจากที่นั้นได้ทรงแสดงธรรมอีกครั้งสองครั้งพระปัญจวัคคีทั้ง5ก็สามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกได้กันทั้งหมดทั้งห้ารูปคือสามารถกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจ ให้หมดสิ้นไปได้ทั้งหมดเลยยังมีผู้รู้ปรากฏขึ้นมาเป็นหกคนด้วยกันมีพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระปัญจวัคคีย์ี้าคนพอได้เป็นผู้รู้แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงบอกให้ผู้รู้เหล่านี้แยกทางกันไปคนละทิศคนละทางเพื่อนำเอาความรู้นี้ไปเผยแผ่ ไปสั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปจึงปรากฏเป็นพระพุทธศาสนาขึ้นมาคือการเผยแผ่ความรู้ของผู้รู้คือพระพุทธเจ้าให้แก่ผู้ที่ไม่รู้อย่างพวกเราเพื่อที่พวกเราพอได้เรียนรู้แล้วเราจะได้รู้วิธีดับความทุกข์ใจของพวกเราว่าจะดับได้อย่างไรและถ้าเรา นำเอาไปปฏิบัติได้เราก็จะดับความทุกข์ใจต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้นี่คือการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในวันอาสาหบูชานี่เองเป็นวันจะเรียกว่าเป็นวันเกิดหรือวันก่อตั้งของพระพุทธศาสนาก็ได้ส่วนวันวิสาขาบูชาวันเพ็ญเดือนหกนี้เป็นวันปรากฏขึ้นมาของผู้รู้ คือพระพุทธเจ้าตัดสรุในวันเพ็ญเดือนหใจของเจ้าชายสิทธัตถะหรือสมณะโคดมที่มืดบอดนั้นก็สว่างสวัยขึ้นมาในวันเพ็ญเดือนหททำให้สามารถเห็นทางที่นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้คือเห็นมรรคแปดนี่เองหรือศีลสมาธิปัญญา เป็นทางที่จะนําผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจนี้ให้หลุดพ้นได้อย่างถาวร อ, อย่างราบคาบผู้ใดเดินไปในทางศีลสมาธิปัญญาแล้วรับรองได้ว่าจะต้องหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยกันทุกคนหลังจากนั้นภาษาวกทั้งหลายก็ช่วยกันเผยแผ่ไปแยกกันไปคนละเทศคนละทาง นำม า, าความรู้ของพระพุทธเจ้านี้ไปเผยแผ่กับผู้ไม่รู้ต่อไปเพียงระยะเวลาเจ็ดเดือนแรกของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคือวันเพ็ญเดือนแปดจนถึงวันเพ็ญเดือนสามปีต่อปีต่อมาก็เป็นระยะเวลาเจ็ดเดือนด้วยกันเป็นวันมาฆบูชา เป็นวันที่มีพระอรหันตสาวก 1,250 รูปที่อยู่ตามสารทิตต่างๆได้มีความคิดอยากจะมากับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนจึงมีการรวมตัวของพระอรหันตสาวกเป็นครั้งแรกของพระพุทธศาสนามีถึง 1,250 รรูปด้วยกัน บุคคลเหล่านี้เป็นผู้รู้ทั้งนั้นเป็นผู้ที่ได้ดับความทุกข์ใจของตนจนหมดสิ้นไปได้แล้วเป็นผู้ที่สามารถที่จะนำความรู้นี้ไปสอนให้ผู้อื่นไปดับความทุกข์ของผู้อื่นได้อันนี้เพียงระยะเวลาเจ็ดเดือนแรกนี้พระพุทธเจ้าก็สร้างพระอาหารหันต์ขึ้นมาถึงหนึ่งพันสอบรูป แล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องการจะสร้างอะไรตลอดระยะเวลาที่ทรงทรงประกาศพระพุทธศาสนาทรงเผยแผ่พระธรรมคำสอนนี้ก็มุ่งไปที่การสร้างพระอารยาบุคคลทั้งนั้นไม่เคยคิดที่จะสร้างวัดสร้างถาวรวัตถุสร้างพระพุทธรูปอะไรต่างๆเหมือนกับที่พวกเราในสมัยนี้กำลังสร้างกันเพราะว่า ฐาน ว, วัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นโบสเป็นเจดีย์เป็นพระพุทธรูปนี้ไม่สามารถสอนวิธีดับความทุกข์ให้กับผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้สร้างไปก็เสียเวลาเสียเงินเสียทองไปเปล่าๆให้สร้างพระอริยบุคคลกันดีกว่าสร้างผู้รู้กันดีกว่าสร้างผู้รู้ที่จะมาะมามาช่วย นำความรู้ของพระพุทธเจ้านี้ไปสอนไปช่วยผู้ที่ยังติดอยู่ในความในในความทุกข์อยู่ให้หลุดพ้นจากความทุกข์กันเนีดังนั้นการเผยแผ่าศาสนาของพระพุทธศาสน า, าที่ถูกต้องนี้ต้องเผยแผ่ด้วยความรู้นรู้คือความรู้วิธีดับความทุกข์ของใจ ต้องเผยแผ่เรื่องศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ต้องเผยแผ่จากใจที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วเพราะถ้าใจยังไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์นี้จะไม่เห็นคุณค่าของศีลสมาธิปัญญาจะไม่ทุ่มเทให้กับการเผยแผ่ศีลสมาธิปัญญาจะถูกกำนาจของความอยาก ในราบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรส ด, ดึงให้ไปเผยแผ่ทางด้านอื่นแทนคือดึงให้ไปเผยแผ่ทางทาวรวัตถุกันเนเพราะเรื่องทาวรวัตถุนี้มันเป็นเรื่องของราบยศสรรเสริญ น, นั่นเองเมื่อมีการก่อการสร้างก็จะมีมีราบมียศมีสรรเสริญตามมาแทนที่จะไปดับความทุกข์ กลับไปสร้างความทุกข์ขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้สร้างวัดไม่ได้สร้างพระเลยตลอดระยะเวลา45ปีพระพุทธเจ้าสร้างแต่พระอริยเจ้าสร้างแต่พระอรหันต์คิดดูเพียงเจ็ดเดือนแรกก็หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปแล้วถ้าคูณด้วย45ปีนี่ จะผลิตพระอาหารหันต์ขึ้นมากี่แสนกี่หมื่นลูกกันนั่นแหละคือผู้ที่จะมารักษาลืมเป็นผู้ที่จะมาสร้างความเจริญให้กับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจะเจริญหรือเสื่อมนี้อยู่ที่การเจริญหรือเสื่อมของพระอาหารหันตสาวกุกถ้ามีพระถ้ามีการเจริญของพระอาหารหันตสาวกุก พระพุทธศาสนานี้จะเจริญไปเรื่อยๆเพราะว่าศรัทธาที่เกิดในพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้เกิดศรัทธาที่ถาวรวัตถุต่างๆไม่ได้เกิดมีศรัทธาเพราะมีเจดีย์มีโบสถ์มีพระพุทธรูปยิ่งใหญ่ใหญ่โตสมัยนี้แข่งสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆกันไม่ทราบว่าสร้างไปทาไม เคยถามไหมไม่กล้าถามกันกลัวว่าบาปกันอีกถ้าถามถามได้พระพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาเปิดใครอยากสงสัยอยากจะรู้อะไรถามได้เลยพระพุทธศาสนานไม่มีอะไรปกปิดนะบอกความเป็นจริงมีพระในสมัยพุทธกาลได้ไปหล่อพระพุทธรูปขึ้นมารูปหนึ่งไม่ทราบหล่อหรือแกะสลัก แล้วนำมาถวายให้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกนี่ไม่ใช่เราพระพุทธรูปที่เธอแกะสลักไม่ใช่เราเหมือนรูปภาพที่ญาติโยมมาถวายในยวันนี้ก็ไม่ใช่เราเป็นกระดาษเป็นรูปภาพเราคือผู้รู้ผู้รู้วิธีการดับทุกข์พระพุทธรูปนี้ไม่สามารถสอนให้พวกเธอดับความทุกข์ได้ รูปภาพของครูบาอาจารย์ต่างๆนี้ไม่สามารถสอนให้พวกเธอดับความทุกข์ได้ทำได้อย่างมากก็เตือนสติให้พวกเธอระลึกถึงคำสอนของผู้รู้เท่านั้นเองคือคำสอนที่สอนให้ไปดับทุกข์กันด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันเท่านั้นเองนี่คือหน้าที่ของพระพุทธรูปหรือหน้าที่ของรูปภาพของครูบาอาจารย์ต่างๆ มีไว้เพื่อเตือนให้เราล้ำนึกถึงศีลสมาธิปัญญากันให้เรารีบไปศึกษาศีลสมาธิปัญญากันก่อนที่ความแก่ความเจ็บความตายจะมาแย่งเวลาของเราไปพอความแก่ความเจ็บความตายมันเข้ามาแล้วมันจะทาให้เรา ศึกษาศีล ส, สมาธิปัญญาและปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ยากหรือไม่ได้เลยตอนนี้ร่างกายของเราสมบูรณ์แข็งแรงสามารถศึกษาศีล ส, สมาธิปัญญาได้ควรรีบศึกษากันเสียแต่บัดนีออ้แล้วก็พอศึกษาแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติเพราะการรู้ศีลสมาธิปัญญานี้ยังไม่เกิดประโยชน์ พอเพียงแต่รู้จักชื่อแต่ยังไม่เจอตัวนั่นเองศีลสมาธิปัญญาเวลาเรียนนี่ก็เป็นเหมือนกับรายการอาหารที่เราไปที่ร้านอาหารบางทีเราไม่รู้ว่าร้านอาหารนี้มีอาหารชนิดไหนบ้างเขาก็เขียนชื่อรายการอาหารมาให้เราดูพอเราดูรายการแล้วว่ามีไก่ทอดเป็ดทอดมีอะไรเราก็นึกภาพขึ้นมา แต่มันก็ยังเป็นภาพที่เรานึกขึ้นมายังไม่เป็นของจริงเจะได้ของจริงก็ต่อเมื่อเราสั่งให้เขาเอาสิ่งนั้นมาให้กับเราเช่นต้องการไก่ทอดก็บอกว่าเอาไก่ทอดเขาก็จะไปสั่งพ่อครัวในห้องครัวให้ทำไก่ทอดมาให้พอเราพอเขาเอามาให้ทีนี้เรา กรับประานอันนั้นนะ่ะถึงจะได้ตัวไก่ทอดอการศึกษาก็เหมือนกันเป็นการเรียนชื่อของของธรรมะที่จะมาใช้ในการดับทุกข์าการเรียนเรื่องศีลสมาธิปัญญาไม่ได้หมายความว่าเราจะมีศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาทันทีเราจะดับความทุกข์ได้ทันทีอันนี้ยังไม่ใช่เนเป็นเพียงแต่การ เรียนรู้ว่าเราจะต้องไปสร้างอะไรกันเราต้องไปสร้างศีลกันสร้างสมาธิกันสร้างปัญญากันเราถึงจะสามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้แต่จำเป็นต้องศึกษาก่อนถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้วิธีดับทุกข์ว่าดับได้อย่างไรเราก็า จ, จะดับคิดว่าดับทุกข์ด้วยการไปเที่ยวกัน เวลาไม่สบายใจอยู่บ้านเหงาก็ชวนเพื่อนออกไปเที่ยวกันพอไปเที่ยวความเศร้าความเหงาก็หายไปเกิดความสุขกันแต่พอกลับมาบ้านอยู่ไปสักพักเดียวความเหงาความเศร้าก็กลับมาใหม่ น, นี่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาวิธีดับความทุกข์เราก็จะดับความทุกข์แบบนี้กันดับความทุกข์ด้วยการหาลาบยศสรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันหาขึ้นดับกันมาไม่รู้ตั้งกี่ปีแล้วตั้งแต่เราเกิดมาเลยก็ว่าได้พอเราเกิดมาพอเราทุกข์กับอะไรเราก็ไปหารูปเสียงกลิ่นรสหาอะไรมาเสพมาสัมผัสกันพอได้เสพได้สัมผัสความทุกข์ใจก็หายไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งความทุกข์ใจก็กลับมาใหม่จนมาถึงปัจจุบันนี้ ความทุกข์ใจของเราได้หายไปหรื อ, อยังถ้าเราไม่ใช้ศีลสมาธิปัญญานี้ความทุกข์ใจของเราจะไม่มีวันหายไปอย่างถาวรหายได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวเวลาทุกข์ใจพอได้เงินมาก็ดีใจเวลาทุกข์ใจพอได้ไปได้ตาแหน่งมาก็ดีใจเวลาทุกข์ใจได้ไปเที่ยวก็ดีใจ แต่เดี๋ยวมันก็กลับมาทุกข์ใจใหม่ความทุกข์ใจไม่หายไปอย่างถาวรจากการที่เราไปหาความสุขจากลาบยศสารเสนจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอันนี้เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาวิธีการดับความทุกข์ใจอย่างถาวรว่าดับอย่างไรนั่นเองถ้าเรามาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้เรียนรู้วิธีที่จะดับความทุก ใจอย่างถาวรเราต้องดับด้วยศีลสมาธิปัญญากันดั <c oughs> งนั้นเราต้องเรียนรู้ก่อนวิธีดับความทุกข์ของใจนี้ดับได้อย่างไรพอรู้แล้วเราก็ต้องนําออกไปปฏิบัติสร้างศีลขึ้นมาตอนนี้เรามีศีลในอย่างเราละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดเดิมสุรายาเมาได้หรืออย่าง พอได้แล้วเราก็ต้องเพิ่มศีลขึ้นไปนนี้เป็นศีลขั้นต่ำศีลขั้นเบื้องต้นยังไม่พอเพียงในการที่จะเอาไปสร้างสมาธิขึ้นมาการจะสร้างสมาธินี้ต้องมีศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่ 10, ิบเจ็ดเป็นต้นนี่เป็นศีลที่จะสนับสนุนในการสร้างสมาธิให้ปรากฏขึ้นมาในใจ ดังนั้นถ้าเรายังเพียงแต่รักษาศีลห้าเราก็ต้องมาหัดรักษาศีลแปดพอรักษาศีลแปดได้เราก็จะไปอยู่ตามลําพังได้ไปปลีกวิเวกได้ไปสร้างสติเพื่อจะทําให้จิตสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้นะะต้องปฏิบัติเป็นขั้นไปเริ่มที่ศีลแล้วก็ต่อไปที่สมาธิที่สติฝึกสติควบคุมความคิดหยุดความคิดต่างๆให้ได้ พอหยุดความคิดได้นั่งเฉยๆหลับตาดูลมหรือพุโทโธความคิดก็จะหายไปความสงบก็ปรากฏขึ้นมาความสุขที่ได้จากความสงบก็จะปรากฏขึ้นมาทาให้เรามีทางเลือกใหม่แล้วมีทางเลือกที่จะหาความสุขแบบใหม่ที่จะไม่ทำให้ใจเราทุกข์อีกต่อไปคือความทุกข์ที่เกิดจากการทำใจให้สงบ เพียงแต่ว่าเป็นความสงบชั่วคราวเพราะเหตุที่ทำให้จิตไม่สงบยังไม่ได้ถูกกำจัดพอออกจากสมาธิมาพอไม่ควบคุมใจพอเผลอความอยากก็โผล่ขึ้นมาความสุขความสงบที่ได้ก็จะหายไปถ้าอยากจะให้ความสุขความสงบที่ได้จากสมาธินี้อยู่ไปอย่างถาวรก็ต้องคอยกำจัดความอยากเวลามันโผล่ขึ้นมา อยากไปหารูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องหยุดมันอยากไปหาลาบยศสรรเสริญก็ต้องหยุดมันอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่อยากไม่ให้ร่างกายแก่เจ็บตายก็ต้องหยุดมันการจะหยุดมันได้ก็ต้องใช้ปัญญาต้องเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลายเป็นความทุกข์ไปยันอย่าไปอยากอย่าไปได้ดีกว่า อยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความไม่อยากดีกว่าในที่สุดก็จะหยุดความอยากต่างๆได้แล้วก็จะทำให้ใจไม่ไม่วุ่นวายต่อไปไม่ทุกข์อีกต่อไ ป, ไออไปใจก็จะสงบตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือไม่ก็ตามเพราะเหตุที่ทำให้ใจไม่สงบนั้นได้ถูกกำจัดด้วยปัญญาของพระ พ, พุทธเจ้าแล้วนั่นเองคือตาลักษณิจังทุกขังอนัตตา อริยสัจสี่นี่คือขอบวนการของการที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆที่มีในใจหมดสิ้นไปได้ต้องเกิดจากการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญาเมื่อศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้ว ปฏิเวทคือผลของการปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้นมาความทุกข์ต่างๆก็จะดับไปตามลำดับดับตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีจนถึงขั้นพระอาหารหันต์ความทุกข์ก็จะถูกกำจัดไปอย่างราบคาบและจะไม่มีวันฟื้นขึ้นมาอีกต่อไปพอรู้วิธีดับทุกข์และทำได้แล้วก็สามารถไปสอนผู้อื่นได้อย่างเต็มปาก ถ้ายังไม่รู้วิธีถ้ารู้วิธีแต่ยังดับไม่ได้ก็ยังไปสอนผู้อื่นไม่ได้เพราะสอนก็ไม่รู้ว่าสอนอย่างไรเพราะตอนเองยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่รู้ว่าจะต้องใช้ศีลขนาดไหนจะต้องใช้สมาธิแบบไหนจะต้องใช้ปัญญาอย่างไรจะไม่มีวันที่จะสามารถสอนให้ผู้อื่นดับความทุกข์ใจได้ถ้าตนเองยังไม่รู้วิธีดับความทุกข์จากการปฏิบัติ การรู้วิธีจากการศึกษานี้ไม่ละเอียดพอไม่ลึกซึ้งพอไม่ถึงแก่นของความจริงเป็นเปลือกเท่านั้นเองต้องศึกษาแล้วต้องปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะเกิดปฏิเวทขึ้นมาเกิดผลคือหลุดพ้นจากความทุกข์พอหลุดพ้นแล้วเทนี้สามารถสอนผู้อื่นได้อย่างเต็มปากวิธีที่จะทําให้ใจหลุดพ้นเป็นอย่างไรเมื่อสอนได้ สอนให้พูนได้พูดนำเอาอไปปฏิบัติก็จะปฏิบัติได้แล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต่อไปนี่แหละคือวิธีที่พระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาน่าจะอยู่กับโลกนี้ต่อไปเรื่อยๆ หรับใดที่มีการเผยแผ่ความรู้ของผู้รู้พุทธศาสนาคือการเผยแผ่ความรู้ของผู้รู้ไม่ได้เผยแผ่ท้าวลวัตถุกันอย่าไปหลงกับการสร้างท้าวลวัตถุต่างๆ สร้างวัดก็ต้องเป็นวัดที่เสริมในการปฏิบัติอย่าไปสร้างวัดที่ไม่ได้ส่งเสริมการปฏิบัติเพราะถ้าไม่ได้ปฏิบัติสร้างไปก็เสียเวลาไปเปล่าๆต้องสร้างต้องส่งเสริมวัดที่มีการเรียนมีการปฏิบัติถึงจะมีปฏิเวทมีการหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วจะได้มีการสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้อยู่ไปกับโลกนี้ไปนานๆให้เป็นศาสนาจริงๆเป็นแก่นของศาสนาไม่ใช่เป็นเปลือกของศาสนาทุกวันนี้ส่วนใหญ่จะมาสร้างเปลือกของศาสนากันคือถาวรวัตถุต่างๆนี้เป็นเปลือกของศาสนาไม่ใช่เป็นเนื้อของศาสนาระหว่างกินเนื้อกับ ก, กินเปลือกอันไหนจะดีกว่ากันกินเปลือกทุเรียนกับ ก, กินเนื้อทุเรียนนี่มีใครกินเปลืปอกทุเรียน ไม่มีใครกินสวยขนาดไหนก็สู้เนื้อทุเรียนไม่ได้วัดจะสวยขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็เป็นเหมือนเปลือกของผลไมาเท่านั้นเองเราต้องไปหาวัดที่มีการศึกษามีการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วเราจะได้ได้เนื้อของศาสน า, ศาคือได้วิมุตติการหลุดพ้นของศาสนา และเราจะได้ทําประโยชน์ให้กับศาสนาต่อไปคือเผยแผ่ความรู้ของผู้รู้ให้กับอนุชนรุ่นหลังที่จะตามมาต่อไปแล้วเขาก็จะได้รู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นแล้วเขาก็จะเป็นผู้ที่จะไปสืบทอดพระพุทธศาสานาต่อไป ถ้าเราทำอย่างนี้แล้วต่อให้ใครมาทำลายศาสนาวัตถุก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเพราะมันไม่ใช่ตัวศาสนาใครจะมาทำลายพระพุทธรูปใครจะมาทำลายโบสถ์เจดีย์ก็ปล่อยก็ทำไปสิ่งที่เขาทำลายไม่ได้ก็คือผู้รู้ความรู้ต่างๆผู้รู้วิธีดับทุกนี้อยู่ในใจไม่มีใครรู้ว่าเป็นใคร เพราะฉะนั้นเราอย่าไปหลงประเด็นกันถ้าเราอยากจะรักษาศาสนาของเราให้อยู่คู่กับโลกไปนานๆให้เรามารักษาด้วยการศึกษาศีล ส, สมาธิปัญญาศึกษาแล้วก็ให้ไปปฏิบัติปฏิบัติแล้ววิมุติหลุดพ้นก็จะเป็นผลตามมาพอหลุดพ้นแล้วเราก็สามารถที่จะเป็นเราก็จะเป็นผู้รู้ที่สามารถ สั่งสอนผู้อื่นให้เป็นผู้รู้ต่อไปได้ตราบใดถ้าศาสนามีผู้รู้แม้แต่เพียงคนเดียวศาสนาก็อยู่ได้เพราะศาสน า, านี้ศาสานานี้เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะมีผู้รู้คนเดียวเท่านั้นเองคือพระพุทธเจ้าเนี่ยพอมีพระพุทธเจ้ารู้ปับ๊บเอามาสอนผู้อื่นก็มีผู้รู้ตามเป็นหมื่นเป็นแสนถ้านับมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็อาจจะเป็นล้านก็ได้เพราะทุกยุคทุกสมัยนี้มีผู้รู้กัน มีผู้ศึกษามีผู้ปฏิบัติกันมาทุกยุคทุกสมัยพระพุทธศาสนาของพวกเราจึงอยู่กันมาได้จนถึงปัจจุบันนี้แต่ขอให้เราอย่าไปหลงประเด็นว่าพระพุทธศาสนาอยู่ที่ถาวรวัตถุกันแล้วกันขอให้เรารู้ว่าพุทธศาสนาของพวกเราอยู่ที่ความรู้ของผู้รู้คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้น ขอให้เราศึกษาปฏิบัติกันแล้วเราจะได้รับประโยชน์ทั้งกับตัวเราเองและทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นต่อไปนี่คือเรื่องราวของพุทธศาสนาที่นำเอามาฝากท่านไว้ในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาเรวาหาปุราบาริปุเรนติสาคลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปติตังตุมหังกิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัชจันโตสัพพโรโววินัสตุมาเตภวะตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ พิวาทานสิลิสะนิจังุทธาปจายโนจตารธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลาช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามเชิญ ถ, ถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่พอเลิกแล้วก็จะของดถามวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ทาง f ฟ c e b o o สอง2้อยแปดสิบสองสามร้อยสิบสองวิทยุออนไลน์ทีสิบหก ผู้รับฟังบนเขาร้อยแปดสิบสองรวมทั้งหมดแปดร้อยสองคนครับอาจารย์ถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยขอการาดอาจารย์นะครับอยากจะถามเผื่อคุณแม่นะฮะคุณแม่รักษาศีลสามข้อนะครับแล้วตอนนี้ก็หัวเข่าไม่ค่อยดีนะครับอยากจะถามว่า ถ้าคุณแม่รักษาศีลสามข้อไม่นั่งสมาธิไม่ฝึกสติจะทำยังไงให้คุณแม่อยู่ความเสื่อมโดยความสงบครับก็ต้องใช้ปัญญายอมรับความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้เหมือนฝนตกก็ต้องยอมรับว่ามันตกห้ามมันไม่ได้ไม่ต้องไปอยากให้มันหยุดปล่อยมันตกไปเดี๋ยวมันก็หยุดเองร่างกายมันก็เสื่อมของมันไปตามเวลาของมัน อย่าไปอยากให้มันไม่เสื่อมเสื่อมก็รู้อยู่กับมันไปมันก็จะไม่ทรมานที่ทรมานเพราะอยากให้มันไม่เสื่อมอยากให้มันหายพอมันไม่หายหรือมันเสื่อมมันก็เลยทำให้เราทรมานใจเพะนการทรมานใจนี้เราหยุดมันได้ด้วยการยอมรับความจริงเหมือนเรายอมรับอากาศฝนฟ้าอากาศ มันร้อนเราก็อยู่กับมันไปมันหนาวเราก็อยู่กับมันไปฝนมันตกเราก็อยู่กับมันไปเพราะเราไม่มีทางเลือกร่างกายเรามันเป็นยังไงเราก็ต้องอยู่กับมันไปเราไม่มีทางเลือกเหมือนกันแล้วใจเราจะไม่เดือดร้อนอเดือดร้อนเพียงครึ่งเดียวคือร่างกายซึ่งมันไม่รุนแรงเหมือนกับความเดือดร้อนทางใจถ้ามันไม่ยอมรับ ก็หัดใช้พุทธโธท่ทองพุทธโธไปสวดมนต์ไปเวลามีความวุ่นวายใจสวดมนต์ไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวนี้มีญาติโยมคนหนึ่งก็บอกก่อนจะใส่บาตรเขาเตื่นมาตีสี่มาสวดมนต์สองชั่วโมงสามชั่วโมงสวดอิติปิโสเนี่ยตามอายุสามรอบของเขาอายุเขาเจ็ดสิบเอาสามรอบเลยสองร้อยสิบคนสวดนี้แล้วใจเย็นใจสบาย ใจจะลืมเรื่องของร่างกายไปนะ <c oughs> <c oughs> องพยายามถ้าอยากจะบรรเทาความทรมานใจต้องอยากขี้เกียจต้องยอมลงทุนบ้างหัดสวดมนต์บ้างไปมันไม่ยากเย็นอะไรการสวดมนต์ก็เป็นความคิดอย่างหนึง่ง <c oughs> เราคิดของเราอยู่ทั้งวันเราคิดได้พอ <c oughs> ให้มาคิดบทสวดมนต์ทำไมจะคิดไม่ได้มันก็เป็นความคิดเหมือนกัน แต่เป็นความคิดที่ดีทำให้ใจไม่วุ่นวายถวนความคิดที่ทำให้ใจวุ่นวายไม่ชอบคิดกันแล้วกันคิดแล้วก็วุ่นวายใจไม่สบายใจนี่แหละคือความโง่ของเราสร้างเรื่องวุ่นวายใจให้กับเราเองเรื่องสงบไม่ชอบสร้างกันชอบสร้างเรื่องวุ่นวายใจเราจึงไม่มีความสุขกันมีมากมีน้อยก็ไม่สุขเหมือน มีเงินมากเงินน้อยมันก็ไม่ได้มาทําให้ความวุ่นวายใจหายไปความวุ่นวายใจมันก็วุ่นวายไปตามธรรมชาติของมันนอกจากเราเปลี่ยนให้มันไม่ให้วุ่นวายใจให้มันมาสวดมนต์แทนมีอะไรไหมมีครับอาจารย์ถ้ามีบุคคลอยู่สองคนนะครับยกตัวอย่างเป็นนายกรนายขอนะอาจารย์นายกรนี่พยายาม ละลึกรู้อยู่ทุกเรียบทตั้งแต่ตื่นจนหลับแต่ว่าไม่ทำสมาธิภาวนาเลยส่วนใน้อเนี่ยเผลอบ้างระลึกรู้บ้างแต่ว่าฝึกทำสมาธิสงบบ้างไม่สงบบ้างอยู่อย่างสม่าเสมอคำถามก็คือว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้อยู่ใกล้ความสุขที่แท้จริงมากกว่ากันก็พอกันนะ ในกก็ยังไม่ได้นั่งสมาธิก็ยังมีสติแต่ไม่ใช่สติเพื่อทําใจให้สงบก็ยังเข้าถึงความสุขไม่ได้ในขอก็สงบบ้างไม่สงบบ้างก็อก็ยังไม่ได้ถึงความสุขแบบเต็มที่อยู่ดีนั้นก็อย่าเอาทั้งในกในขอเอาสองอย่างมารวมกันเอาในก็คือเวลาไม่ได้นั่งสมาธิก็จะริญสติอย่างต่อเนื่อง เรมีเวลาว่างก็มานั่งสมาธิมันจะได้สงบได้อย่างเต็มที่เราต้องเอานายกรนายขอมารวมกันให้เป็นนายคอไปอีกหนึ่งคำถามนะคะอาจารย์อาจารย์เทศอยู่บ่อ ย, อยเรื่องสตินะครับแต่ว่าอาจารย์ไม่ค่อยจะพูดถึงเรื่องสัมปชัญญะอยากจะถามว่า สองตัวนี้ยมันทํางานกันอย่างไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลมันเป็นพี่น้องกันนะตัวนี้สติที่ไม่ขาดตอนก็เรียกว่าสัมปัชัญญะเท่า น, นั้นเองก็บอกให้เจริญสติเรื่อยๆมันจะได้เป็นสัมปัชัญญะที่คําว่าสัมปัชัญญามันรู้สึกฟังยากจํายากก็เราสติต่อเนื่องเนี่ยสติต่อเนื่องพยายามฝึกสติให้ต่อเนื่องอย่าให้ขาดตอนอย่าให้เผลอก็จะเป็นสัมปัชัญญะขึ้นมา แค่นั้นเองก็จะเป็นแบบนายกสำหรับนายขอก็เป็นสติแบบขาดตอนก็ไม่เป็นสัมปะชัญญาแต่นายกเมื่อมีสัมปะชัญญาเราก็ต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์ต้องนั่งเฉยๆจิตจะได้รวมจะได้สงบได้อย่างเต็มที่แต่การมีสัมปะชัญญาโดยที่ไม่นั่งมันก็สงบในระดับหนึ่งใจมันจะว่างไม่มันจะไม่ไปคิดเรื่องวุ่นวายใจต่างๆ แต่มันยังไม่นิ่งมันไม่ได้เจอกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่ท่านอาจารย์เคยกล่าวไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเนี่ยสุขอันนั้นนี่ยังมีเวทนาเจืออยู่ด้วยไหมครับตอนนั้นไม่มีตอนนั้นมันตัดออกจากร่างกายการทำงานของร่างกายเรื่องที่มาเข้ามาทางทวารทั้งห้าไม่เข้าไปถึงใจถูกตัดออกถูกถอนออกชั่วคราว ใจอยู่ตามลำพังเหมือนแฝดสยามที่เขาแยากตัวออกจากกันเนี่ยคนหนึ่งเจ็บอีกคนหนึ่งไม่เจ็บแต่ถ้าเวลายังไม่ได้แยกในคนหนึ่งเจ็บอีกคนก็เจ็บด้วย <c oughs> เวลาไม่ได้แยกออกจากกันเวลาจิตออกมาจากสมาธิก็มารับรู้เรื่องของร่างกายเพราะร่างกายเจ็บจิตก็เจ็บไปด้วย แต่เวลาแยกออกจากการร่างกายเจ็บจิตไม่รู้เรื่องไม่เจ็บอขอบพระคุณครับคําถามจา ก, ากดีจ๊ ะ, ะคําถามจากผู้รับฟังบนเข่าครับชาติที่แล้วเป็นผู้ชายชาตินี้เป็นผู้หญิงทําไมถึงจับร่างไม่ได้เจ้าคะรู้ได้ไงว่าชาติก่อนเป็นผู้ชายรู้ว่าชาตินี้เป็นผู้หญิงคือ ทางสมมุติเราไม่ถือชาติก่อนเราถือชาตินี้ชาติก่อนเป็นมาเศสดฐีชาตินี้เป็นขอทานแล้วจะมาอ้างว่าเป็นเศสษฐีมันก็ไม่มีใครสนใจนะทีนั้นเราไม่อดีตชาติไม่มีไม่มีผลต่อการเป็นของเราในปัจจุบันชาติปัจจุบันชาติเราเป็นหญิงก็ต้องเป็นหญิงไปเมื่อเป็นหญิงพระก็แตะต้องตัวพระไม่ได้พระแตะต้องตัวหญิงไม่ได้ เพราะมันจะทำให้สีนขาดมันจะทำให้ไฟลกุกไฟของกามอารมณ์มันจะลุกขึ้นมาก็เลยต้องไม่ให้แตะเตาะแตะเนื้อต้องตัวกันท่านั้นเองคำถามของอีกท่านหนึ่งครับคำถามที่หนึ่งครับทำอย่างไรให้เลิกยึดติดกับอดีตดได้ครับถ้ามันคิดก็ให้ใช้พุทโธพอมันคิดถึงอดีตก็เปลี่ยนให้มันมาคิดพุทโธแทน พอพุโทโธพุโทโธอดีตก็จะหายไปทุกครั้งที่คิดอดีตก็ท่องพุโทโธสวดมนต์ไปแล้วต่อไปมันก็จะไม่กลับไปคิดถึงอดีตคิดเราก็หยุดมันได้คำถามที่สองครับทํางานบังคับคดียึดทรัพย์ให้หลวงผิดศินข้อสองมั้ยครับไม่เราก็ถูกกฎหมายไม่ได้เป็นการยึดทรัพย์แบบ ช่อโกงหลอกลวงเป็นการทํากฎกติกาของกฎหมายเพราะทรัพย์นั้นทางกฎหมายถือว่าไม่ได้เป็นทรัพย์ของคนที่ครอบครองอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้ไปทําตามเงื่อนไขให้ถูกต้องเมื่อไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขแล้วก็ต้องยึดทรัพย์ไปเท่านั้นเองคําถามจากทาง youtube เจ้าค่ะจากคุณวิเชียน กราบนมัส ก, การท่านพระอาจารย์นั่งสมาธิแล้วปรากฏอาการน้ำตาไหลและความเจ็บปวดหายไปจิตมีความรู้อยู่แต่คำบริกรรมจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับก็ําไปเรื่อยๆบริกรรมต่อไปจนกว่าจิตมันจะตกลุมตกบอ่อแล้วนิ่งสงบแล้วตอนนั้นความ จิตนิ่งแล้วก็ไม่ทำอะไรมันก็ไม่พุโทโธไปเองโดยอัตโนมัติถ้ายังพุโทโธได้ก็พุโทโธไปเรื่อยๆคำถามจากคุณนิยาเจ้าค่ะถ้าเราพูดจาทาตัวเป็นกันเองกับพระจะบาปหรือไม่เจ้าค่ะก็ไม่สมควรเพราะพระนี่เป็นผู้ที่เป็นครูเป็นอาจารย์เราเป็นลูกศิษย์ไม่ควรที่จะทาตัวสนิทสนมหรือ หรือว่าเขาเลยทำตัวเท่าเสมอท่านนท่านเป็นผู้ให้ความรู้กับเราเป็นครูบาอาจารย์เราฉะนั้นเราไม่ควรที่จะมีสัมพันธ์แบบความสนิทสนมกับพระสนิทได้แต่ต้องมีแบ่งฐานะกันท่านเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้น้อยอย่าไปสนิทสนมแบบเป็นเพื่อนกัน แบบหยอกล้ อ, อ ก, กันได้อะไรทานองนี้ไม่ไม่เหมาะสมคำถามจากคุณบางเอิญไม่มีในโลกเจ้าค่ะการนำอาหารที่เขานำมาถวายแก่พระสงฆ์ที่พระท่านสละให้แล้วเป็นข้าวกล้นบาส น, นำกลับมารับประทานแจกจ่ายที่บ้านจะผิดหรือไม่ครับแล้วติดนิสงหรือไม่ครับไม่หรอกถ้าเป็นของที่พระเขาสละไปแล้ว แล้วเราจะรับไปทำอะไรก็ได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเจ้าคะ่ะการช่วยเหลือญาติถ้าไม่ให้เลยจะถือว่าขาดความเมตตาแต่ให้แล้วอาจจะมาขออีกไม่ช่วยตนเองกรณีนี้ควรมีวิธีให้อย่างไรจึงจะเหมาะสมเจ้าคะ่ะก็ให้ในกรณีที่จำเป็นเช่นขาดปัจจัยสี่นี้ ไม่มีอาหารรับประทานขาดเครื่องนุ่งหม่มขาดที่อยู่อาศัยขาดยารักษาโรคนี้ก็ควรที่จะให้แต่ถ้าให้อยากจะขอเงินไปเล่นการพนันอยากจะขอเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยอันนี้ไม่ให้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร คำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะจากคุณพลพินิษอยากสอบถามว่าความสุขของมนุษย์เราแท้จริงแล้วคืออะไรคะกราบสาธุเจ้าค่ะความสุขที่แท้จริงของสัตว์โลกก็คือความสงบของใจความสุขอย่างอื่นเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หายไปพอหายความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ ถ้าอยากจะได้ความสุขจริงก็มาหัดทาสมาธิกันทําใจให้สงบแล้วใจพอสงบแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาแล้วเราสามารถรักษาความสุขนี้ได้เพราะเรารู้วิธีทำให้มันเกิดขึ้นแล้วทุกครั้งที่มันหายไปเราก็กลับมานั่งสมาธิใหม่ความสุขที่ได้ก็จะกลับมาใหม่ คำถามจากคุณอาจรีเจ้าค่ะวิธีการออกจากสมาธิที่ถูกต้องควรทำอย่างไรเจ้าค่ะก็นั่งไปจนกว่าจิตมันจะคิดปรุงแต่งเราอยากจะลุกก็ปล่อยมันลุกไปถ้าอยากจะจดจำว่าคราวนี้เรานั่งแล้วได้ผลอย่างนี้ก็จดจำวิธีที่ทำให้มันเป็นผลอย่างนี้ว่าอ๋อเรานั่งแล้วเราพุโทโธอย่างเดียวเราไม่ไปคิดอะไรไม่ไปอยากได้อะไร คราวหน้าจะได้ทำแบบแบบคราวนี้ได้อีกเนี่ยแต่ถ้าเราลืมวิธีคราวหน้ามานั่งเราจะคิดแต่ผลที่เราได้โอ้คราวที่แล้วเรานั่งสงบคราวนี้อยากให้มันสงบอีกก็นั่งแต่อยากอย่างนั้น พอนั่งอยากแล้วมันแทนที่จะสงบมันกลับฟุ้งขึ้นมาเพราะไม่ได้ทาตามวิธีเดิมวิธีเดิมคือมีสติอยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องเหตนันก่อนที่เราออกจากสมาธิเราก็สังเกตดูว่าออกวันนี้เรานั่งอย่างไรถึงได้ผลอย่างนี้ถ้าอยากจะได้ผลอย่างนี้วันหน้าก็ต้องนั่งแบบนี้อกีกคำถามจาก ผู้ฝากถามเจ้าค่ะขออากาศครับพระอาจารย์ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าสเสด็จมาหาพ่อแม่ครัวอาจารย์มั่นนั่นหมายความว่านิพพานเหลือจิตจิตมีการรดลกรู้ใช้หรือไม่ครับก็จิตของนิพพานนี้ยังมีขันขันอยู่มีนามขันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารอยู่แต่ท่านทําให้มันไม่ทํางานได้ทําให้มันทํางานก็ได้ แล้วแต่ท่านเหมือนมีมือถือเนี่ยจะเปิดเครื่องก็ได้ไม่เปิดเครื่องก็ได้นนหมดแล้วเลยโอเคก็พอดีกับเวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิพจิตรณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ